บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงส่วนของอายตนพพะประพักคือหมวดที่ว่าโดยอายตนะซึ่งเป็นกระบวนการตามธรรมชาติเพราะโลกเรานั้นเป็นโลกของสัมผัส ทุกชีวิตในโลกนี้รับรู้สิ่งทั้งหลายทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและสิ่งที่อยู่ข้างนอกที่เรียกว่าเป็นวิสัยของอายตนาภายในว่าสิ่งที่เรารับรู้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถะภะและก็ธรรมารมเ่อไม่มีอะไรอื่นไปจากนี้แล้ว การเกิดขึ้นของธรรมะก็เกิดขึ้นจากหกทางนี้การเกิดขึ้นของกิเลสก็เกิดขึ้นจากหกทางนี้แต่แม้แต่การเกิดขึ้นของพระนิพพานซึ่งเป็นจุดสูงสุดก็เกิดขึ้นมาจากตรงนี้พราะท่านสาวชนทั้งหลายจะเห็นว่าเช่นตัวอย่างความสารวมระวังั้นศีลมันเกิดขึ้นที่จิต คือเจตจำนงที่จะ ง, งดเว้นไม่ประพฤติไม่กระทำเช่นนั้นไอ้ตัวความสารวมเองก็อยู่ที่จิตคือจิตตั้งใจสารวมระวังควบคุมกายคงมาจจาเอาไว้ไม่ให้เป็นการผิดศีลที่เราเรียกว่าเป็นปกติเราเห็นกายปกติเห็นว่าจ่าปกติที่จริงมันเกิดมาจากจิตที่ปกติคือจิตผิดปกติแล้วก็จะ ให้กายกับวาจาเนี่ยเป็นปกติไม่ได้จนกลายเป็นความสงบเย็นเป็นสัมผัสเป็นความสุขเป็นความปลอดเวนปลอดภัยตัวเสวยอารมณ์จริงๆก็คือจิตแต่ตัวรับอารมณ์ก็คงไปตราอุจจรกลิ่นกายพอถึงระดับสมาธิเราก็เห็นได้ชัดว่านิวรณเองก็เกิดขึ้นที่จิต แต่ตัวกระตุ้นให้เกิดนิวรณ์ก็มาจากตาหัวจกเล่นกายนิวรณ์ยังเกิดขึ้นจากการกระตุ้นจากข้างนอกบ้างจากการเหนียวนึกสึกนึกของใจเองบ้างแต่สิ่งที่นํามาเหนียวนึกนํามาสึกนึกมันก็คือเรื่องเก่าหรืออจะเอาอาศัยเรื่องเก่าเนี่ยปรุงแต่งเพื่อได้สิ่งใหม่ๆในอนาคตจะยกตัวอย่างเราไปเห็นบ้าน หลังสวยงามจากครั้งหนึ่งวันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตรเราเห็นในปัจจุบันแต่เราเกิดความอยากคือเกิดการมาฉันในบ้านหลังนั้นแต่ความอยากได้บ้านนั้นมันก็เกิดขึ้นแต่พอดีก็ไม่ใช่บ้านเรา ความอยากได้จึงมุ่งไปสู่อนาคตแต่ว่าอาศัยรูปแบบของบ้านในปัจจุบันเป็นเครื่องปรุงแต่ตัวบ้านนั้นเขาสร้างมาแล้วในอดีตเพราะเราจะเห็นว่าตัวก็จริงแล้วประสาทสัมผัสทั้งห้าข้างนอกคือตาหูจมูกิ้กายก็เป็นทางให้เกิดการรับรู้สิ่งข้างนอก รือสิ่งที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสประคั่งใจก็เหนี่ยวนึกสึกนึกก็ปรุงแล้วแต่จะปรุงเอาอตัวสมาธิเองเมื่อเกิดขึ้นจากจิตที่เพ่งดูตัวนอกจนเพ่งดูลมหายใจมันก็ตัวข้างนอกเพ่งดูพุทธโธมันก็อยู่ข้างนอกหรือว่า ไปเพ่งพวกกสิณอะไรทั้งหลายต่างๆแต่ตรุปว่าพวกนั้นมันก็ไม่เกินอะไรไปจากรูปเสียงกลิ่รถสัมผัสได้เกิดสงบขึ้นภายในบางอย่างก็เป็นเรื่องการทำใจให้หยุดอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเกิดความสงบขึ้นวความสงบที่เกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้นในจุดซึ่งเคยมีกิเลสนั่นเองเคยมีกามฉันนันเอง ความสงบเหล่านั้นอาจจะยั่งยืนถาวรไปเรื่อยๆจนกลายเป็นชาติแล้วก็อยู่ที่จิตซึ่งทาหน้าที่สงบกิเลสแต่จริงๆแล้วตัวฌานที่เกิดขึ้นนั่นเองทาหน้าที่สงบกิเลสเอาไวเพอมาถึงนิพพานนี่จะเห็นได้ชัดเจนเลยท่านใช้คำว่าอสเวหิจิตานในวิปุจจิงสุตติจิตหลุดพ้นจากอสวรทั้งหลาย เมื่อความเดิมทีเดียวนั้นจิตมีอาสวะ ม, ت, าะมีกิเลสพูดง่ายว่ามีกิเลสเยอะแล้วเมื่อปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยปริบาลธรรมะก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาสวะก็จางไปลดไปจนถึงอาสวะหมดไปอันิพ้านมันก็เกิดตรงนั้นเองเกิดตรงที่เคยมีอาสวะ แต่ทีน่าสังเกตก็คือทรงใช้คำข้างหลังว่าไม่ถือมั่นได้อุปาทานอสวกับอุปาทานมันต่างกันยังไงที่จริงไม่ต่างกันคือกิเลสดรวียกันแต่ต่างกันโดยสถานะคล้ายๆกับ น, น้ำตกตะกอนภาชนะกับ น, น้ำที่เป็นตะกอนที่ทำน้ำให้ขุนเนี่ยเราเรียกชื่อเหมือนกันกิเลสประเภทนี้ก็มีลักษณะอย่างนี้ เพศอาสวะเป็นกิเลสแนวเดียวกับพวกสังโยชน์ที่เคยพูดกันมาคือเขาก็สงบอยู่ภายในไม่มีการเตี่ยวเดี่ยวนึกไม่มีการตรึกนึกไม่มีการกระตุ้นพวกนี้มันก็ไม่เกิดไม่ได้หมายความไม่มีแต่ว่าไม่เกิดขึ้นแต่พอเขาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีทั้งความอยากและความยึด ถ้ตั้งหลาจะสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เราไม่อยากเราไม่ยึดถามไม่ยึดเพราะอะไรก็เพราะอยากแต่ความยึดเนื่องจากการความอยากนั้นมีสองอย่างคืออยากได้กับอยากไม่ได้ที่เราพูดอยากได้อยากมีอยากเป็นที่ยังอยากเป็นก็คืออยากได้อยากได้เป็นนั่นเองตอนลงมาอยากได้ก็อยากไม่ได้ที่เราพูดว่ารักกระชัง หร oh ือย the ินดียินไรหรือชอบใจไม่ชอบใจก็แล้วแต่ล่ะก็มีสองดังสองอย่างที่ตัวแรงนะฮะที่ตัวแรงจริงก็มีสองอย่างเพราะสิ่งอะไรก็ตามที่เราอยากเราจะยึดสิ่งอะไรที่เรายังอยากได้อยู่เราก็ยังยึดสิ่งเหล่านั้นว่าเป็นของเราหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นตัวเป็นตนของเราแต่สิ่งนั้นเองพอเราหมดอยาก เราก็หมดยึดเสื้อผ้าบาตรชองอะไรก็ตามที่เราได้ใหม่ๆนี่เราก็อยากได้มาจนได้นะแล้วก็จยุ ด, ยดอยู่ตลอดเพราะสิ่งเหล่านั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มขาดเริ่มแตกเริ่มบินความอยากมันจางไปจางไปความยึดมันก็จางไปจางไปถึงจุดหนึ่งก็โยนถือทิ้งสแสดงว่าพอหมดอยากมันก็หมดยึดหมดยึดก็โยนก็คือทิง แล้วเราก็มีอยู่ลักษณะอยใหญ่ๆแล้วก็มีอยู่ในชีวิตประจําวันอาการเหล่านี้แหละแต่มันมีมากๆมันกลายเป็นความอยากมากแล้วก็ก็ยึดมากแล้วก็ยึดเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆคือแทนที่จะเป็นโยนมันเป็นโยง จนเราเห็นในเราลักษณะความคิดที่พระเจ้าทรงแสดงว่าความรักที่เกิดจากความรักก็มีความรักเกิดจากความโกรธโกรธปีความโกรธเกิดจากความโกรธก็มีนั้นก็คือลักษณะใจบัญญองเพราะความอยากความรักที่เกิดจากความรักเช่นสมมติเรารักนายกอนายขอเป็นพ่อแม่ของนายกอเป็นพี่น้องของนายกอเป็นเพื่อนของนายกอเราก็รักนายขอด้วย สแสดงว่าใจมันก็โยงเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันความรักที่เกิดจากความโกรธก็มีเหมือนกันมันก็โยงเข้าไปทั้งๆที่จริงๆแล้วไม่เกี่ยวแต่ว่าใจเราโยงเองเช่นเราไม่ชอบกับนายคอนายงอเนี่ยเป็นเพื่อนของนายคอไปไหนมาไหนกับนายคอเราเกิดไม่ชอบนายงอด้วยและแม้แต่บางทีนายงอนั้ น, นอาจจะเป็นเพื่อนของเราได้ทั้งไป แต่พอดีเขาไปเที่ยวไปไหนมาไหนกับไหนขอซึ่งเราไม่ชอบแต่ความรักในงอซึ่งเคยมีอยู่กอดมันก็จางไปจางไปแล้วก็กลายเป็นความโกรธเพราะเราก็ดูได้บางทีใ น, ในบ้านเองเราไม่ชอบกับเพื่อนบ้านไอ้จากความไม่ชอบตัวเพื่อนบ้านจึงเป็นพ่อแม่เนี่ยนำไปสู่การไม่ชอบลูกไม่ชอบลูกของเพื่อนบ้าน พอลูกของเราซึ่งเรารักเนี่ยไปดีกับไปเล่นกับเพื่อนกับลูกของเพื่อนบ้านที่เราไม่ชอบซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ชอบด้วยก็ทําให้เราโกรธลูกในการป้องการมีการห้ามปรามมีการดุดา่ามีการคมขู่ก็ว่ากันไปเรื่อยๆจนถึงก็ทุกตีแล้วทุกตีนี้บางทีก็ไม่ไม่สาแก่ใจก็อาจจะลุกลามไปถึงเด็กซึ่งเป็น ลูกของเพื่อนบ้านที่เราไม่ชอบแล้วอาจจะไปถึงพ่อแม่ของเขาเลยก็ยุ่งกันเป็นการใหญ่เลยนั่นเลยมีอะไรมันเป็นเรื่องของความอยากแล้วก็ยุดแล้วก็โยงก็ไปก็รุงรังกันไปเป็นการใหญ่ทำให้ความโกรธเกิดจากความรักจรงมีขึ้นได้ด้วยตัวอย่างในแนวเดิมคล้ายๆกัเรา เรารักนายนขอเราเราโกรธกับนายขอแล้วพอดีนายขอนั้นไปเป็นเพื่อนกับนายขอทำให้เราโกรธนายขอด้วยนั่นเป็นเรารักนายขอนายขอ por, ไปเป็นเพื่อนกับนายขอนายขอไปเป็นศัตรูกับนายขอเราก็เกิดนายขอเราเราเกิดโกรธนายขอเพราะเป็นศัตรูของเพื่อนเรา นันเป็นความโกรธที่มันเกิดมาจากความรักหมายความว่าถ้านายคอไม่ไปเป็นอันตรายกับนายคอเราก็ไม่หวาอะไรเวยๆได้หรืออาจจะรักก็ได้แต่ปรดีวในห่วงตรงนั้นนายคอจะเกิดาเป็นศัตรูกับนายคอเราก็เกิดโกรธเขาด้วยบางทีความโกรธมันเกิดจากความโกรธมันก็แนวเดียวกับความรักที่เกิดจากึ้นขวัาจากความรัก หมายความว่าเราโกรธคนนี้และคนนี้ไปเพื่อนกับคนได้เราโกรธเราเกิดโกรธคนนี้ด้วยตกลงว่าเป็นลักษณะของความอยากแล้วก็ยึดแล้วก็โยงแล้วก็ต่อกันไว้เป็นแถวจะถึงบงศากนาดใหญ่จดถึงก็เผาพันอะไรต่างๆตัวจริงๆม็คือกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้อยากให้ยึดแต่ว่าท่านเรียกคนละตอนกันตอนแรกกระทางเรียกว่าอาสวะบาง เรียกว่านิวรณ์บังกัไแหแต่จะเพลิพอตอนยึดนั่นท่าเรียกว่าอุปาทานป้อนพอ เ, เราหมดอยากเราก็หมดยึดการเชื่อมโยงทั้งหลายเพราะอำนาจของความอยากความยึดมันก็จบเป็นปฏิกริยาตามธรรมชาติธรรมดาซึ่งก็มีอยู่ในสิ่งที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายเพราะนิพานจะเกิดขึ้นในจุดนี้แล้วสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับ น, นิพานมันก็เกิดขึ้น แต่เกิดขึ้นอีกแนวหนึ่งอีกด้านหนึ่งแต่การน้ำใสยน้ำขุนที่ไหลามาเนะ่ยมันก็ต่อเนื่องกันแต่ว่าทําหน้าที่ได้ก็ระยัดกันไอ้ทำหน้าที่สูญในเปียกก็คงจะพอๆกันแต่ว่าน้ําขุนเปียกแล้วเปื่อนน้ําสายมันเปียกและเย็ดแตกต่างกันตรงนี้แต่จริงก็เปียกแล้วกันตรงนั้น พวกกิเลสจะมีชื่อยังไงก็ตามก็แล้วแต่จะเรียกที่จริงแล้วท่านเรียกตามอาการมันก็เกิดขึ้นที่จิตซึ่งเคยมีกิเลสอยู่ก่อนนั่นเองพวกนิพพานพวกอะไรทั้งหมดก็เกิดอยู่ที่จิตซึ่งเคยมีกิเลสหมายความว่าสิ่งทั้งสองนี้เป็นวิธีแบบธรรมชาติแต่ายๆความเย็นที่เกิดขึ้นในจุดซึ่งเคยมีความร้อนนั่นเองแต่ว่าความเย็นก็ปรากฏเต็มที่ความร้อนก็ต้องหายไปอย่างสิ้นเชิง แต่นั้นเป็นรูปธรรมเป็นความแปรผันของธรรมชาติเปิดแอร์ความเย็นก็เพิ่มดับแอร์ความเย็นก็ลดความร้อนก็เพิ่มไอ้ น, นี่มันเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ดูได้อย่างนั้นเพราะว่าในแนวนี้แนวของสังโยชน์ท่านสายชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่ากิเลสเนี่ยมันก็เกิดมาจากประเภทลงเวลาจะเกิดธรรมะก็ดีจะเกิดกิเลสจะเกิดกิเลสเราอื่นก็ดี มันจะไปเพิ่มที่ตัวลงก่อนถ้าเกิดกิเลสอื่นมันก็เพิ่มที่ตัวลงก่อนถ้าเกิดธรรมะมันก็ไลดที่ตัวลงก่อนดูตัวอย่างง่ายๆเจ้าจการมาวัดของท่านทั้งหลายเนี่ยปัญญามันต้องเกิดขึ้นพิจารณาเห็นก่อนเช่นการพักผ่อนอยู่ที่บ้านกับการมาวัดมันก็นํามาเลือกเอาปัญญาก็ต้องพิจารณาตัดสินว่าจะไปวัดดีหรือจะอยู่ที่บ้านดี แล้ก็มองถึงสิ่งที่เราจะได้จากวัดสิ่งที่ได้จากการอยู่บ้านก็เทียบเคียงบุกรกุญหากันดูเห็นว่ามาวัดได้ประโยชน์มากกว่าได้บุญได้กุศลที่จะติดตามทั่วไปในสุดก็มาวัดมาวัดถ้าปัญป ญ, ญาก็ต่อเนื่องก็จะพยายามสแสวงหาประโยชน์จากทุกเรื่องภายในวัดทําใจเกิดสตาเรื่อมใสทําใจซึ่งงบใช้ปัญญาพิพจารณาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในขณะฟังก็พยายามคิดตามพิจารณาตามก็หาประโยชน์ในขณะเจริญสมาธิ ก, ก็พยายามทําใจสงบเพิ่มขึ้นการเวลาในช่วงนั้นในขณะนั้นจะเป็นกี่นาทีก็ตามก็เป็นช่วงของการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลขึ้นภายในจิตใจแต่ปัญญาเอมก็ต้องมีมากพอที่จะกลายเป็นแรงผลักดันให้มีความเคลื่อนไหวทำให้การ ละวางไอ้สิ่งที่เรามีอยู่ภายในบ้านคือบ า, บางคนก็อ้างบางงานมากครับไม่ว่างแต่ที่จริงคนเรานั้นถ้าไม่ว่างมันก็ไม่ว่างคือไม่มีใครเคยทำงานเสร็จแล้วก็ตายไปจากโลกนี้ให้เราสังเกตพระพุทธเจ้าเองเสร็จกิจส่วนพระองค์มาตั้งแต่ประชดอายุ3าสิาปี ได้กิจต่อชาวโลกนั้นพระองค์ก็ทำต่อไม่ได้ตลอดมันก็ต้องชิ้งไว้ในรูปของธรรมวินญาณตอนั้นคนเราอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือไม่มีใครทำงานเสร็จแล้วก็ตายทุกคนมีงานค้างอยู่เะะก่อนที่ตัวเองจะตายจากไปปัญหามาอยู่ที่การพิจารณาเทียบเคียงเอาว่าเราจะเอาตรงไหนในขณะนั้นเมื่อถึงทางทร่จะต้องเลือกก็เลือกเอา ที่ทรงเสนอแนวเลือกสกมาความปัญญาปัญญาั้นเกิดออกมาพิจารณาเทียบเคียงที่ตรงใช้คำว่าทีระชนคือคนฉลาดเมื่อมองเห็นผลประโยชน์ที่ภัยบูญยั่งยืนจะต้องมีความพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์พอประมาณเพื่อรักษาผลประโยชน์ที่ภัยบูญออกไปลักษณะเหล่านี้มันก็นำไปใช้ในทุกๆเรื่อง อย่างเช่นในกรณีที่เราเสียดินแดนไปหลายครั้งในรายการที่ห้าและในช่วงตบมาก็ปะเห็นว่ามันก็เกิดปัญญาพัญญาเทียบเคียงว่าจะเอาอย่างไงจะยอมผ่อนปรนปฏีประนอมเพราะดินแดนที่เคยเป็นของคนอื่นเราไปยึดเขามาแล้วก็คืนกลับไปให้คนอื่นหรือจะต้องต่อสู้รบราค่าควันกันแล้วก็ โอกาสเสี่ยงนั้มากการเราก็น้อยอาวุธเราก็น้อยอะไรประเทศเราก็เล็กอะไรเนี่ยเพรา ะ, ะ น, นมันก็ถึงจุดหนึ่งที่ท่านต้องเลือกออกว่าต้องเสียเพื่อประโยชน์สุขที่ไพ่บูรณเนี่ยต้องสละประโยชน์พอประมาณไปกค็คล้ายๆกับแนวความคิดที่ลึกซึ้งกันกว่านั้นที่ท่านพูดว่าสล a u g h t ทั้งรักษาวัยวะส a u g วัทยาเพื่อรักษาชีวิตเด็มนุษย์สอนทั้งธรรมะ s l a ทั้งทรัพย์ทั้งวัยวะแม้กระทั่งชีวิตเพื่อรักษาธรรมะ คุท่านเห็นว่าที่จริงมันก็เสียปัญญากับปัญญาเทียบเคียงเอาจะเอาอะไระตรงนี้คุณจะรักษาทรัพย์โดยไม่ยอมรักษาโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในกายบางทีต้องผ่าตัดบางทีต้องตัดคือไม่ใช่ผ่าอย่างเดียวก็ต้องตัดด้วยหรือคุณจะทรัพย์ไว้ยอมเสียวัยวะก็ต้องเทียบเคียงดูว่าเอาวัยวะนั้นเป็นตัวสร้างซับ อวัยวะเป็นเครื่องมือในการทําความดีทั้งหลายทราบยันที่จริงแล้วมันก็เป็นคนใช้เรามาเทียบเคียงน้ําหนักแล้วก็เห็นว่าอวัยวะมีค่ามากกว่าทรัพย์เราก็สลัดทรัพย์ไปแล้วอวัยวะเป็นต้นมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเต่จะเห็นว่าปัญญามันก็เกิดที่พิจารณาการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญสมาธิก็ดีนั้นปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของทานของศีลของปัญญา แล้วต้องพิจารณาเทียบเคียงว่าจริงๆเราเสียทั้งนั้นนะครให้ทานก็เสียเยอะรักษาศาีนก็เสียประโยชน์เยอจนคนในปัจจุบันในนักธุรกิจบางคนในปัจจุบันก็คิดว่าศีนนั้นเป็นเรื่องของสังคมกเกษตรกรรมในผู้ซีกโก้่าศีนเป็นเรื่องของคนยุคเกษตรกรรมเป็นนี้ไม่ยุคกุตสาหกรรมยุคไฮเทคเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้ว คือไม่รักษาศีลก็จนตายเพราะจะฆ่าสัตว์ก็ดีการช่อดชนต่างๆก็ดีเนี่ยการรื้อปิดในกามก็ดีก็ถือว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมกับยุคสมัยก็ความคิดของคนดอกนั้นสแสดงว่าปัญญาเขาก็มีแต่ไม่จะปัญญาเป็นปัญญาที่ทํำลายตัวเองลดคุณภาพชีวิตวิญญาณกันตัวเองให้ตกต่ำมุ่งที่จะกอบโกยผลประโยชน์ ถึงจะเห็นว่าพูดง่ายก็คือเห็นแก่กลิ่นเห็นแก่ได้แต่สิ่งที่เราได้นั้นเราก็ไม่ได้จริงถึงการได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆท่า น, า น, านเพราะว่าจุดนี้บางคนก็มองปัญญาก็เกิดขึ้นิจารณาว่าศีลเนี่ยมันให้ประโยชน์สุขสาบตลอดชีวิตแล้วก็ตกแต่งพระชาติรีนี้ด้วยอย่างน้อยเราก็ได้ความเชื่อเพราะยังไงเราก็ยังไม่ตายล้วก็ใส่ความเชื่อ มีปัญญาพิจารณาเห็นคุณของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้าแช่ความเชื่อมันอ่นอาจจะเชื่อมัน่นธรรมดาง่ายๆคิดง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อรูปหนึ่งไ้มีคนไปถามท่านว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่ท่านก็บอกว่าเออพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีจริงนะข้าคิดว่าพระพุทธเจ้าคงไม่โกหกเรานะแล้วท่านนั้นเอง อันนี้ตรงนี้เราจะเห็นว่าเราใช้ความเชื่อแต่เราปัญญาพิจารณาเห็นพระกลุ่ของพระพุทธเจ้าตรงนี้จึงมีทั้งศรัทธามีทั้งปัญญาที่อิงอาศัยซึ่งกันและกันในที่สุดเราก็เห็นว่าการรักษาศีนั้นอย่างน้อยก็อนิสงส์ที่ท่งแสดงเอาไว้สีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโภกัสัมปธาสีเล น, นิพุติยันติ บุคคลจะได้เข้าถึงสุคติคือเข้าถึงความสุขแล้วก็บังเกิดในสวรรค์ได้ก็พระศีลส่นบนโดยโพวกกสบัดดอกพระศีลบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็พระศีลปัญญาก็จะได้เห็นคุณของเรื่องเหล่านี้แล้วก็มีการสมาทานศิลสมาทานศีลแล้วก็รักษาศีลพระศาสนาสัมผัสผลของศีลเป็นความสงบเวรีสงบภัยสงบอันตราย ความเร่าร้อนเดือดร้อนที่เคยมีมันก็ลดลงไปปัญญาเก็บเจ็บปิจารณาเห็นเพิ่มขึ้นสถานก็เพิ่มขึ้นปัญญาก็เพิ่มขึ้นความเพีย ร, ร ก, ก็เพิ่มขึ้นความอดทนอดกลั้นที่จะรักษาศีเขาก็เพิ่มขึ้นเพราะศีมันก็พัฒนาขึ้นไปได้เรื่อยๆมีอาการทางกายทางวิจาที่ประณิชขึ้นโดยอาศัยใจที่ประณิชขึ้นผู้สมาธิเองมันก็มีลักษณะอย่างนั้น ส่วนหนึ่งปัญญาเกิดขึ้นจากพิจารณาจากแหล่งการเรียนรู้การรับรู้ทั้งหลายเราศึกษาจากตำหนัตำราจากการสดับสังที่มีการชี้แจงมีการแสดงการ น, นั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งคือเราเรียนจากท่านที่ได้สมาธิท่านที่มีสมาธิมีความสงบเป็นความมัน่นคงเรียนจากใครก็ได้ ท่านเหล่านั้นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างเป็นเครื่องมือในการสะท้อนธรรมปัญญาก็พิจารณาเห็นแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติพอปฏิบัติมันก็เห็นในตัวเองที่จะเรียกว่าปัจิจจตังคือเห็นได้เฉพาะตนเองเป็นสันทิติโกคือเห็นได้เฉพาะตนหรือวินโูชนรู้ได้เฉพาะตนจะมีสองอย่าง พอรู้ปัญญาก็พิจารณาไว้เนี่ยมันเป็นผลมาจากศีลสัตหะก็เกิดขึ้นไปรารถก็เพิ่มขึ้นนี่ก็คือแนวที่รเรบเพิ่มความดีท่านเชื่อว่าปัญญาเนะี่ยเขาจะเข้ากำกับอยู่ตลอดถ้าเราดูง่ายๆนะฮะดูง่ายๆคล้ายๆกับโลกเนี่ยมันมือดอะเราต้องการจะเห็นอะไรก็ตามเราต้องใช้แสงสวา่สงสวางแตงว่าก็ส่องไปเรื่อยๆนะแสงสว่างก็กนำนําไปก่อนเราจงเห็นที่หลังนีนะ แต่ถ้าเราฉายไฟไปในที่มืดเนียแ ส, แสงไฟต้องถึงก่อนแล้วสิ่งนั้นปรากฏตาก็เห็นเราส่องไปรเรื่อยไปริมาณไฟสว่างขึ้นเรื่อยก็เห็นกว้างขวางมากขึ้นเรื่อ ย, ามมาลยแล้วก็เห็นมีความเชื่อมโยงอะไรต่างๆแต่ถ้าเรามองป่ามองอะไรในเวลากลางวันนะฮะเราจะมองในแนวได้หลากหลายคือเชื่อมโยงกัน ถ้าใครมีความรอบรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับป่าเรื่องธรณีวิทยาในเรื่องของธรรมชาติเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องอะไ ร, รก็มันประกอบและจะเรียนได้อีกมากมายเพราะในส่วนของกิเลสเนี่ยแล้วก็มีลักษณะตรงกันข้ามาหมายความว่าไอ้ตัวไม่รู้เนี่ยมันจะมีกำลังตัวนี้จะต้องถูกขจัดออกไปก่อนถ้าตัวนี้ขจัดแล้วก็ทา ต, ตัวนี้ยังไม่ถูกขจัดเนี่ยธรรมะมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้ พนสังโยช์ทั้งสามข้อแรกซึงถือเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะอะไรเพราะมันเป็นตัวโมหะเป็นตัวความหลงเป็นตัวอวิชชานั่นเองแต่ว่าเขาไม่เรียกอวิชชาเต็มที่คือสักยติติความเห็นเป็นถือตั ว, ถ, ตวถือตนมีตัวมีตน ม, มีเรามีเขามีพวกเราพวกเขาจริงๆการละเนี่ยมันก็ละขนาดใหญ่ใกล้ๆก็ผากออก เปลือกออกเปลือกกัะพี้ออกอะไรเนี่ยไอต้ตนไม้ก็ยังมีอยู่จะถามมันเกิดขึ้นมาจากอะไรมันเกิดขึ้นมาจา ก, กจิตสันดานของคนเลยตรงเนี้ยเพราะคนเราจึงมีความเห็นที่ถูกตอกย้ำมาตั้งแต่ต้นเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้้ น, น, น, น, นก็ตอกกันมาเรื่อย แล้วต่อค่อนข้างจะตลกด้วยคือเป็นสมมติที่ซ้อนๆๆๆๆๆกันอยู่ในคนคนเดียวเราสามารถจะดูที่ใครและที่เราเองก็ได้ดูที่เราเราก็ค่อนข้างชัดนะครเราก็ตั้งปัญหาว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ถามว่าเป็นจริงหรือเปล่าพอถามเป็นจริงหรือเปล่าชักมีปัญหาทันทีสมมติเราคิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยถามดูดูตัวเองเราใหญ่จริงหรือเปล่า ปรากฏว่าเราไม่ใหญ่จริงนะนะมันมีคนใหญ่กว่าเราบางทีคนนั่งยืดเสียสงายนะ่าอะไรใหญ่โตคนก็พี่นอพี่เท่าในขณะ น, น, นั่งยืดสงา่าอย่างนั้นเองผู้ใหญ่มาคลานลงมาเลยแล้วแสดงว่าเราก็ไม่ใหญ่จริงเอาพะจริงมันมีคนใหญ่กว่าจะถือว่าเราเป็นคนรวย รวยจริงหรือเปล่าก็มีคนที่รวยกว่าแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นของเราจริงหรือเปล่าเอาก็จริงมันก็ไม่จริงเป็นของคล้ายๆเรายืมจากโลกชั่วคราวแต่ทุกอย่างเราก็ทิ้งไปในโลกแต่อาศัยที่มันสะสมซ้อนๆกันพราะความเป็ น, นก็งเราอาก็จริงเราก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอย่างภายในบ้านเนี่เราก็เป็นทั้งหลายเรื่อง เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นพันยาเป็นนายเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรตอมาเปนรู้ก็รู้ขึ้นอยู่เราเกี่ยวข้องกับใครเป็นคนทำงานเป็นคนหุงข้าวเป็นคนตักน้ำเป็นคนอาบน้ำเป็นคนข้าวห้องน้ำไม่รู้เป็นอะไรวันหนึ่งเป็นธุรกิจสิบอย่างเพราะนี่มันก็สะสมความเป็นแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วภายในจิตใจมันก็มีอะไรอยู่มา จนกลายเป็นการเชื่อมโยงคือมองในลักษณะเชื่อมโยงที่จริงแล้วในแง่ของสมมติครั้งก็ยอมรับไหมนะสมมตินั้นที่จริงเหมือนกับการแสดงละครมันก็ต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับก็ดูไม่สนุกหรอกถ้าลองดูละครแล้วไม่ยอมรับลองดูจะรำคาญมากเนะี่ยเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นพระเอกก็เป็นพระเอกเลยเขเป็นนาย น, นั้นนายนี้ลูกคนนั้นคนนี้ก็ว่ากันเลย แล้วก็ต้องยอมรับแต่ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เป็นการแส ด, แดงขึ้ น, นระยะเวลาสั้นๆังนั้นเองนั้นก็คือโลกสมมติการสมมติของชาวโลกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจุดนี้ถ้าไปยึดถ้าไปยึดไม่ ทั้งผู้แสดงทั้งผู้สดับคือหมายความทั้งคนแสดงทั้งคนดูเนี่ยถ้าดูด้วยความยึดแล้วจะยุ่งแสดงด้วยความยึดแล้วจะยุ่งที่เราพูดถึงผู้แสดงมาเป็นละครหลงโรมนั้นหมายความยังไงหมายความก็หลงเยอะเลยทั้งทั้งที่เริ่มต้นด้วยการสมมติทั้งหมดเลยแล้วก็แสงไปแสดงมานานๆคราบผู้ละครที่แสดงนานๆเนี่ยบางทีก็หลง แสดงเรื่องเดียว น, น, นานๆเนี่ยต่างประเทศแต่ไปแสดงมามันติดบทบาทเหล่านั้นไปถึงบ้านก็ยังเป็นตัวนั้นอยู่วงที่บวชแล้วเนี่ยยังเป็นตัวนั้นอยู่ก็มีพระพวกเป็นพระผู้หลังหนึ่งอยู่ที่อังกฤษนักละครมาก่อนทุกวันทัานยังติบดบทละคอรอยู่มีปัญหาเยอะผู้ันไม่เคยรู้เรื่อง กาแสดงมานานเกินไปเป็นปีๆเรื่องนึงแล้วก็แสดงอยู่หลายปีได้นั่นก็คือแนวที่เราไปยึดยึดด้วยอํานาจของสักกายะที่ดีคือมันสมมติตรงเนี้ยสมมติเป็นอย่างนั้ น, นซ้อนซ่อซ่อนอยู่ทุกวันทุกคืนในสุกติแล้วคนดูถ้าไปติดในสมมุติเหล่านั้นจะสมมติว่านางเอกเป็นอะไรไปพระเอกเป็นยังไงไปแล้วเราก็เศร้าโศกเสียใจ พอนางเอกได้ดีพระเอกได้ดีเราก็ใช้โยโ ห, ห่หหร้องด้วยความสะดวสถานเปิดเปิดบางที่นอนไม่หลับเลยเป็นห่วงนางเอกพระเอกนั้นก็คือลักษณะของสักกายะที่เมันไปยึดติดด้วยความเป็นเราเป็นของเราเป็นพวกเราเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยแล้วก็กระจายตัวเองแต่กิ่งก้านสาขาออกไปอีกมากมายต่อนนี้ไปก็พอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป